บทภาชนีติการปาจิตตีสี่อยห้าสอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าอุปสัมบันโกรธไม่พอใจเงื้อหอกคือฝ่ามือต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจโกรธไม่พอใจเงื้อหอกคือฝ่ามือต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันโกรธไม่พอใจเงื้อหอกคือฝ่ามือต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุโกรธไม่พอใจเงื้อห่อคือฝ่ามือให้อนุปสมบันิต้องอบัตทุกกดอนุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันิต้องอบัตทุ ก, กฎอนุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกอนุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันิต้องอบัตทุกก